ตัวอย่างผ่านมาผ่านไปใจเราเป็นคนดูอยู่ดังน้นจิตจะไม่เหมือนกันถ้าจิตเป็นแนบสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกอารมณูปนิชฌานเป็นสมถะถ้าจิตตั้งมั่นเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามาทำทั้งหลายเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปด้วยจิตเป็นแค่คนดูอยู่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนั่นแน่เดินปัญญาเดินมิปสนา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 คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณของพระธรรมคิดถึงคุณของพระสงฆนะ์คิดถึงทานที่ทำแล้วด้วยดีคิดถึงศีลที่ทำแล้วด้วยดีนะคิดถึงความสงบบางเวลาจิตใจเราก็สงบคิดนถะึงนะความสงบความสงบเป็นสิ่งที่เราเคยทำมานะหรือคิดถึงความตายนะคิดถึงร่างกายนะร่างกายประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกคิดเอานะ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 หรือไหว้พระสวดมนต์ก็ได้นะสวดมนต์ไปเรื่อยๆพุโทโธไปอะไรไ ป, ไ ป, ไไปใจก็ถึงความสงบสงบไม่ลึกไม่ถึงอัปนานะแต่่าสงบพอได้พักผ่อนพอพักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วมาเจริญปัญญาต่อมาดูกายทำงานมาดูใจทำงานต่อนะเห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของใจไปเรื่อยวันไหนดูจิตได้ดูจิตไปนะเวลาไหนดูจิตไม่ออกดูกาย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 อันนี้ท่านทำสมถะแต่ใช้อสุภะแล้วใจท่านเบื่อความเบื่อครอบงำจิตนี่ท่านไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายไปตั้งห้าร้อยงค์เ่ยแขกมันชอบคาว่าห้าร้อยคนไทยเราใช้อยู่ที่เดียวคำว่าห้าร้อยคือโจรห้าร้อยนนั้นไม่มีแต่โจรเราเยอะผู้ ด, ดีห้าร้อยไม่มีพิกสุห้าร้อยไม่มีนิ ม, มนต์เก้าองค์สิบองค์อะไรเวลาที่ใจมันเบื่อ ภาวนาไปบางทีเบื่อพระสมถะก็ได้เบื่อพระวิปัสสนาก <isexual> ็ดดาได้เบืาา่อพระสมถะอย่างพิจารณาปฏิคูณอสุภะแล้วมันน่าสะอิดสะเอียนมันเบื่อเบื่อแบบสอิดสะเอียนเบื่อแบบเจือโทสะนะส่วนเบื่อแบบนิพพทาเดินปัญญาไปแล้วมันเบื่อเนี่ยมันไม่ใช่เบื่ออันหนึ่งแล้วจะเอาอันหนึ่งนะไม่ใช่เบื่อทุกข์แล้วจะเอาสุขไม่ใช่เบื่อชั่วแล้วจะเอาดีไม่ใช่มันเห็นชั่วก็ดีก็น่าเบื่อสุขกัทุกข์ก็น่าเบื่อาาเพราะตัวเราไม่มี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 ทุกวันทุกวันทำไปเรื่อยก็พัฒนาไปเรื่อยก็เข้าไปสู่มรรคผลนิพพานจนได้ขออย่างเดียวไม่ได้ชาวพุทธไม่ใช่ขี้ขอหลังๆนี้เออเริ่มเห็นมีโฆษณาขายชูชกให่ไหมหลายแห่งเลยโฆษณาขายชูชกก็ขอเก่งไม่ใช่ชาวพุทธหรอกชาวพุทธไม่ขอนะชาวพุทธสู้ตายตามเอาเองใครทำใครได้ซู่อ๋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 เมื่อวานทําวัดเย็นค่ ะ, ะเห็นสภาวะได้ชัดดีค่ะหลวงพ่ อ, อ <c oughs> เห็นถึงสมาธิในระหว่างสวดมนต์บางทีก็เห็นผู้รู้กระโดดออกมาดูตัวที่สวดมนต์อยู่บางทีก็เห็นกายเห็นเวทนาก็รู้สึก ด, ดีดีดีนะดีแล้วล่ะมีแรงขึ้น <c oughs> <c oughs> แต่นิดนึงค่ะหลวงพ่อที่หลวงพ่อเทศเมื่อวานเรื่องติดสุขอะค่ะว่าโทษของความสุขคือการเผลอเพลิน ตรงนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะเห็นอะไรสวยก็ยังไม่เป็นไรใจไม่เป็น้องตาอาชีพเราทําไปก่อนเราอาชีพทําของสวยทําไปก่อนไม่ได้ต้องห้ามใช่ไหมคะรู้ทันไงรู้ทันไม่เหมือนกับเป็นการสะสมต่อไปด้วยหรือเปล่าถ้าเพลินถ้าเพลิดเพลินยินดีไม่รู้ทันก็คือสะสมอนุสัยราคานุสใสถ้ารู้ทันอยู่ไม่ปไม่สะสม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 ก็ <C> e <at> <S <S ทำไปอันเบลอเลยข้างหน้า <S 2> <S 2> <S 2> ภาวนาไม่ยากอะไรหรอกอย่าไปเขี้ยวเข็นแม่ให้แม่คอยรู้ทันใจของตัวเองไปอย่างตอนเนี้ยแม่เขินะแม่เขินก็ให้รู้ว่ากําลังเขินอยู่นะอคอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะอย่าไปเขี้ยวเข็นนะเราดีให้แม่ดูนะเราเปลี่ยนแปลงในทางดีให้แม่เห็นนะเดี๋ยวแม่ก็มาภาวนา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 การภาวนาตอนเนี้ยก็เริ่มเห็นสภาวะเเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่อยขึ้นใช่แต่ว่าที่หนูเห็นนะคะคือหนูเหมือนเห็นแวบแรกเนี่ยจะมีเร่าอยู่แวบหนึ่งแล้วถึงจะเห็นเป็นสภาวะเฉยๆพอเห็นเป็นสภาวะแล้วถึงจะดับหือจะเห็นแบบนี้ไม่ทราบว่าถูกวะคะถูกแล้วละเพราะมันยังมีอยู่ก็เห็นไปดีทำดีละดูไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะเบอร์ห้าสิบห้า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 ดูไปเรื่อยในมุมของไตร ล, ลักษณ์นะมุมใดมุมหนึ่งก็ได้บางคนเข้าใจผิดนะบอกว่าจะเป็นโซดาต้องไปดูอ น, นิจจังอะไรเงี้ย Letter. จะเป็นพ้านาคาต้องดูทุกขังเป็นถ้าอาหาันดูอนัตตาไม่จริงหรอกเข้ามุมใดมุมหนึ่งก็ได้แล้วแต่จริตไม่เหมือนกันขอบพระคุณค่ะ121 บ, ก, บะการนมัสการหลวงพ่อครับ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 พอเราจําได้นะเราอยากเป็นอีกแล้ไปเค้นจิตจะให้สุขให้สงบมเลหนื่อยนะทำเล่นๆน่ะทําเล่นๆแล้วสบายแล้วเราต้องตอนตอนดั่ง น, นี้เราต้องรู้มันรู้ว่าพุโทโธมีอยู่ใช่ไหมครับอะไรนะตอนที่นั่งนั่งภาวนาพุโทโธเนี่ยแล้วก็รู้ว่ามีพุโทโธอยู่นะเรารู้ทันใจของเรารู้ทันใจนะเช่นพุโทโธแล้วใจสบายรู้ว่าใจสบายพุโทโธแล้วใจหนักหนักรู้ว่าใจหนักหนักพุโทโธแล้วใจแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิด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 จับดูความจับดูความว่างแล้วก็ดูสภาวะดูดูดรู้ไปเรื่อยๆนี่ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับมันถ้าตเบื้องต้นจะได้ครับแต่ถ้าชํานาญขึ้นจะรู้ว่านั่นเป็นความฟุง้งซ่านความฟุ้งซ่านคือส่งจิตไปดูจิตยังต้องทํางานอยู่เอส่งจิตไปทํางานไ ป, ไปดูควา ม, ว, ามว่างใช่ไหมไม่ได้พักจริงหรอกเหนื่อยอใช่แค่เหนื่อยครับ <laughs> <laughs>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 จริงๆอ่ะถ้าเล่นไปช่วงหนึ่งอย่ารู้อะไรสาระมีแต่ทุกข์ทางนั้นเลยรู้สึกยังมันสบายที่ไหนอยู่ๆก็รู้โนนรู้นี่จะนอนนะผีมาคุยแจ้วแจ๊วหนูหูจะตายเ <c oughs> นาะลำคานอ่ะมันไม่คุยให้คนอื่นฟังเราฟังออกมันก็มาคุยกับเราสิ <c oughs> าก็ น, นั่นแหละคนอื่นมันไม่ได้ยินมันไปคุยทำไมละเ <c oughs> อ้าว่าไป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 อ, อยากจะอยู่บ้านเฉนะยๆออนีค่อยๆสอนใจไปเรื่อยนะว่าทุกอย่างมันชั่วคราวถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านมีความจําเป็นต้อง อ, อกไปคุยกับคนก็ไปนะ<ะ>อย่าหนีอย่าท้อถอยนะตัวเราเราไม่ได้มีปัญหาคนเดียวปัญหามันก็ชั่วคราวเท่านั้นแหละแปดสห นามัส ก, การพระอาจารย์ค่ะเคยมาส่งกันบ้านพระอาจารย์เมื่อเดือนกนันยายนพระอาจารย์บอกว่าดูเป็นแล้วอบอกว่าดูเป็นแล้วแล้วพอไปถึงยี่ห้ากันยาันก็เห็นจิตไหลมาคิดอะไรเห็นหมดเลยค่ะอันทีแล้วพอพอเห็นมันก็ผมก็ดับมาดูร่างกายกำลังหายใจอยู่แต่พอดูไปสักอาทิตย์แล้วมันก็เกิดแน่นนั่นโลภแล้ว <laughs> อยากดูชัดๆอยากดูตลอด ก็เลยแน่นก็เลยไม่ค่อยดูตอนนี้ก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่เห็นกายชัดอย่างเดียวอะไรนะเห็นกายชัดนะแล้วไม่เห็นจิตแล้วหรอจิตมันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่ค่อยกล้าดูเพราะกลัวมันแน่นอีกไอ้แน่นเพราะว่าโลกดูกายจงใจดูกายก็แน่นนะไม่ใช่ดูแต่จิตกายเห็นเองค่ะเออถ้ากายเห็นเองไม่ได้จงใจก็ไม่แน่นดูกายไปเรื่อยๆสังเกตไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูค่ะก็พอเห็นเนื่องจากใจเป็นคนดูเราไม่ไปจ้องตัวจิตนะ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 มันหายไปไหนไม่ได้ค่ะและหลานชายเข้ามาด้วยเขาอยากส่งกันบ้าน<ม>เขาอยากไม่หรือบังคับเข้ามาเขาอยาก็าอยากส่งค่ ะ, อ, ะอยากาส่งมาขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะนามัสการครับหลวงพ่อคือผมเพิ่งได้มีโอกาสกลับมาเริ่มปฏิบัติใหม่อะครับแต่รู้สึกว่าจะเป็นสายสมถะครับก็คือเขาให้เดินจงกลมก่อนแล้วก็นั่งสมาธิ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 ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันจะเห็นเนละร่างกายก็ส่วนกายนะเวทนาก็ส่วนเวทนาจิตก็ส่วนจิตไม่ก็เพิ่มบันไวนฝึกอย่างนั้นได้ก็ดีนะเวลาจะตายเกิดเจ็บมากๆเไม่ทุรนทุรายตายอย่างเท่ๆครับแล้วอย่างในชีวิตประจําวันที่บอกให้ดูกายดูจิตไปแต่ว่าไม่ต้องเพ่งอย่างเงี้ยถ้าเพ่งเนี่ยมันเกิดจากลอบไปจ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตา